ในวันมาค้าบูชาปีพุทธศักราช2505พระอาจารย์สุทัศน์นะคะเริ่มออกเที่ยวทุดงโดยมีเพื่อนสหธรมิกรูปหนึ่งตามไปด้วยคือพระภิกษุบัญญัติอยู่ในวัดเดียวกันแห่งแรกที่มุ่งหน้าไปคือพระมหาธาตุนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจากนั้นก็ได้จาริกทุดงต่อไปยังวัดชายนาเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ลีนะคะ พระอาจารย์ลีเมื่อทราบความประสงค์ของพระหนุ่มทั้งสององค์แล้วท่านก็ยินดีรับเป็นสิทธิ์ไว้ตั้งแต่วันนั้นวัดชายนาเวลานั้นยังรกเรื้อไปด้วยป่าแล้วก็พงหญ้ามีต้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นคลึ้มหนาแน่นไปทั่วบริเวณธรณีสงเลยจากเขตวัดไปก็จะเป็นป่าเบญจพรรณเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าเช่นงูจงอางงูเหา่างูเหลือมแล้วก็พวกหมูป่านะคะเรียกว่าชุกชุมมากมายเลยทีเดียวค่ะ หลังวัดเป็นป่าช้าอันเป็นที่ฝังศพและก็เป็นที่เผาศพของชาวบ้านตามเหตุผลและก็ประเพณีว่าตายแบบไหนจึงจะฝังแล้วก็ตายอย่างไรจึงจะเผานะคะโดยตามปกติคำว่าป่าช้านั้นท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันน่ากลัวเพียงใดทั้ทงเงียบและก็วังเวงไม่มีผู้คนกล้าเดินผ่านหากไม่มีความจาเป็นนะคะ จะมีก็แต่พวกหมาจรที่คุ้ยหาเศษอาหารที่ชาวบ้านทําพิธีศพและก็ทิ้งไว้ข้างที่เผาศพค่ะป่าชาววัดชายนาเป็นสถานที่น่าพรั่นพรึงไม่มีชาวบ้านคนใดเดินผ่านนะคะจึงเงียบสงัดอันเป็นสถานที่ที่พระอาจารย์สุทัศน์แล้วก็พระหนุ่มต้องการความพิสูจน์นะคะว่าตัวเองจะกล้ามากแค่ไหนเพื่อหล่อล้อมจิตให้มีความแข็งแกร่งค่ะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใด พระอาจารย์สุทธน์ก็ได้เลือกเอาบริเวณเชิงตะกอนที่เผาศพเป็นที่นั่งสมาธิแล้วก็ที่เดินจงกรมเนื่องจากว่าเป็นที่ราบเสมอกันห่างจากเชิงตะกอนไปเล็กน้อยก็จะมีศาลาร้างอีกหลังหนึ่งเก่ามากเป็นที่พักอาศัยหลบแดดหลบฝนเป็นการชั่วคราว วันแรกพระอาจารย์สุทัศน์จะออกจากกุฏิของท่านซึ่งอยู่หลังวัดไปทางป่าช้าบริเวณเชิงตะกอนเพื่อเจริญภาวนาบางคืนท่านก็จะปฏิบัติตลอดคืนได้อรุณเมื่อไหร่จึงจะกลับกุฏิเตรียมตัวออกโคจรบินทบาทพร้อมกับพระสงฆ์สามเณรรูปอื่นๆบางคืนท่านก็จะอยู่เจริญภาวนาถึงแค่เที่ยงคืนหรือตีหนึ่งตีสองก็กลับเข้ากุฏิแล้วก็นั่งสมาธิต่อจนได้เวลาอันสมควรจึงพักผ่อนหลับนอนประมาณหนึ่งค่ะ นับตั้งแต่วันแรกที่เข้าเจริญภาวนาในป่าช้าที่วัดชัยนานะคะสารพัดความตายหลายรูปแบบของคน ไม่ว่าจะเป็นการเผาหรือว่าการฝังแบบใหม่ๆหรือว่าฝังมานานแล้วไม่เคยมีปรากฏการณ์อะไรที่น่าหวาดกลัวแล้วก็น่าตื่นเต้นนั่นคือการแสดงตนของพูดผีวิญญาณที่หลงวนเวียนอยู่ในป่าช้าแห่งนี้ซึ่งตามปกติแล้วก็จะมีทุกแห่งทุกที่ที่วิญญาณหลายตนไม่ยอมไปผุดไปเกิดค่ะเพราะว่ายังหลงมัวเมาอยู่ในกิเลส เหตุที่เหล่าวิญญาณไม่มารบกวนพระอาจารย์สุทัศน์ที่ผ่านมาอาจจะเนื่องจากพระอาจารย์สุทัศน์กรวดน้ำและก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณทั้งหลายหลังจากเจริญภาวนาแล้วทุกครั้งกุศลกรรมที่ท่านแผ่ออกไปไม่มีประมาณเช่นนั้นทําให้พวกวิญญาณได้รับความชุ่มเย็นเป็นสุขขึ้นได้พวกวิญญาณจึงไม่มาวุ่นวายให้ท่านได้รับความเดือดร้อนแม้แต่น้อย ในระหว่างที่พระอาจารย์สุทัศน์ทําความเพียรอยู่นั้นพระอาจารย์ลีได้เฝ้าสังเกตเงียบๆตลอดเวลาและก็มองเห็นว่าพระพิกสุหนุ่มรูปนี้มีปฏิปทาเช่นไรท่านจึงได้เรียกพระอาจารย์สุทัศน์ไปว่ากล่าวตักเตือนบอกว่าการจะเดินวิปัสสนาเพื่อความหลุดพ้นจะต้องปล่อยวางอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นอย่ายึดถือยึดมั่นอีกต่อไปการกรวดน้ําการแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้พวกวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงทุกวัน ทำให้จิตของคุณยึดมั่นอยู่ในกามาวจรภูมิคือยังห่วงยังกังวลถึงความสุขและก็ความทุกข์ของผู้อื่นที่อยู่ในภูมิกามาวจอรอยู่ถ้าคุณต้องการจะก้าวขึ้นสู่ขั้นโล ก, กุตรภูมิคุณจะต้องไม่ห่วงแล้วก็กังวลกับสิ่งเหล่านี้ตัดอุปทานนี้ทิ้งไปให้ได้คำเตือนของพระอาจารย์ลีทำให้อาจารย์สุทัศน์ฉุก ค, คิดขึ้นมาได้ว่าตนยังยึดติดอยู่กับอุปทานจริง การยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนอยู่เช่นนี้ย่อมขัดขวางหนทางไปสู่มรรคผลนิพพานดังนั้นพระอาจารย์สุทัศน์จึงน้อมรับคำเตือนของพระอาจารย์ลีเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป ในคืนต่อมาค่ะหลังได้รับคําเตือนและคําสอนแล้วพระอาจารย์สุทัศน์ก็ได้ไปทําความเพียรที่ป่าช้าหลังวัดเช่นทุกคืนแต่ว่าคราวนี้ท่านได้กําหนดจิตบอกกล่าวแก่วิญญาณที่เร่ร่อนยังไม่ยอมไปผุดไปเกิดในป่าช้าทุกตนว่าการที่อาตมามาปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาก็เพื่อต้องการพ้นทุกข์สู่แดนพระนิพพานดังนั้นนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอาตมาจะหยุดส่งจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้อื่นเพื่อระ ง, งับการหยุดยั้งไม่ยึดติดกับอุปทานใดๆ กุศลอันเกิดจากอาตมาเจริญภาวนาวิปัสสนานี้ขอท่านทั้งหลายปลดอนุโมทนาเอาเองเถิดหลังจากนี้หลังจากที่ท่านนะคะได้บอกกล่าวแก่ดวงวิญญาณต่างๆที่เร่ร่อนอยู่ในบริเวณป่าช้าแล้วหลวงพ่อเองท่านก็เข้าไปนั่งเจริญภาวนาที่เชิงตะกรเช่นทุกคืนที่ผ่านมาค่ะ เมื่อท่านกำหนดจิตได้ครู่หนึ่งท่านก็เกิดความผิดปกติขึ้นมาทันทีนั่นคือมีกลิ่นเหม็นเน่านะคะคล้ายกลิ่นของซากศพคนตายที่กำลังขึ้นอืดและวก็เน่าเฟะชอยมาอย่างรุนแรงบริเวณที่ท่านนั่งเจริญภาวนาอยู่ยิ่งนานไปกลิ่นเน่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆทุกขณะจนไม่อาจจะสงบจิตสู่สมาธิได้ค่ะกลิ่นเหม็นที่ร้ายกาดรุนแรงขึ้นทุกขณะจนแทบจะอาเจียนออกมา และอาจารย์จุทั์ก็เริ่มรู้แล้วล่ะนะคะว่ากลิ่นที่เหม็นเน่ารุนแรงมายังจุดเดียวเช่นนี้จะต้องเป็นการกระทําของผีจนกระทั่งต่อมามีเสียงกรีดร้องหวยหวนดังฝ่าความมืดของรัติการแรกๆก็เป็นเสียงกรีดร้องหอยหวนแบบเสียงเดียวแต่ว่าต่อมาค่ะมีเสียงที่มันร้องขึ้นมาดังจากทุกทิศเหมือนมีคนจํานวนมากกําลังได้รับความทุกข์ทรมานอย่างหนักแต่ว่าเสียงนั้นเย็นยเยือกนะคะแตกต่างจากเสียงคนธรรมดา แต่ว่าพระอาจารย์สุทัสค่ะท่านก็สัมรวมจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อเสียงร้องอันหน่าพรั่นพรึงขนลุกขนพองที่ก้องมาทุกทิศเพราะท่านรู้แล้วว่าเสียงนั้นมันเป็นการแสดงฤทธิแห่งความโกรธกรี้วของเหล่าวิญญาณทรมานซึ่งสิงอยู่ในป่าช้าแห่งนี้มานานแสนนานแล้วที่พวกวิ ญ, ญญาณแสดงอาการไม่พอใจเช่นนี้เพราะพวกมันไม่พอใจที่อาจารย์สุทัศน์ยุติไม่ยอมแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นเอง การมาแสดงริดหลอกหลอนด้วยเสียงอันน่าหวั่นไหวสยองขวัญไปทั่วบริเวณป่าช้าไม่ว่าจะเป็นเสียงของเด็กนะคะเสียงของผู้หญิงผู้ชายเสียงของคนแก่ประสานเสียงกันโหยหวนเยือกเย็นเข้าไปถึงหวัวใจยิ่งอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยวแล้วก็วังเวงเช่นนี้เรียกว่าถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาอย่างเราๆ เ, เนี่ยนะคะคงมีนั่งตัวแข็งอยู่ตรงนั้นแน่นอนเลยหรือไม่ก็กลัวจนช็อกตายเนื่องจากเสียงโหยหวนมันมีอำนาจบีบคั้นจิตใจของคนยิ่งนัก แต่ว่ากับพระอาจารย์สุทัศน์ค่ะท่านพอจะรู้มาบ้างนะคะแม้จะมีประสบการณ์น้อยแต่ว่าได้เรียนรู้จากพระอาจารย์ลีก็เลยตั้งมั่นในจิตใจไม่หวั่นไหวแล้วก็กลัวกับการแสดงออกของพวกวิญญาณที่เร่ร่อนวนเวียนอยู่ในป่าชา้าเป็นจํานวนมากค่ะหากจะพูดเป็นภาษาวิชาการก็คงจะต้องพูดถึงผีวิญญาณเหล่านี้ว่าผีตกค้างหรือไม่ก็ต้องพูดว่าผีตกสํารวจจากบัญชีนรกสวรรค์นะคะ พระอาจารย์สุทัศน์ได้พิจารณาดูแล้วนะคะว่าบรรดาผีหรือว่าวิญ ญ, ญาณตกค้างเหล่านี้มิได้ผ่อนคลายความทิฐิลงเลยแม้แต่น้อยทั้งยังแสดงความไม่พอใจแสดงพลังหลอกหลอนด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนเป็นการเขย่าวขวัญสั่นประสาทท่านจึงประกาศไปยังบรรดาผีเหล่านี้ว่าวิ ญ, ญญาณทั้งหลายผู้ร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นท่านทั้งหลายอย่าได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อาตมาเป็นพระสงฆ์เป็นลูกศิษย์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อชำระล้างกิเลสตัณหาอุปทานเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นสู่โลกแห่งนิพพานเป็นที่หมายผู้ใดมีเจตนาจะมาขัดขวางผู้ปฏิบัติธรรมด้วยมิจฉาทิฐิผู้นั้นย่อมได้รับบาปหนักหนาสาหัสยิ่ง ดังนั้นอัตมาจึงขอให้ท่านทั้งหลายทั้งวิญญาณเด็กและผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายจงอนุโมทนาในบุญกุศลอันเนื่องมาจากอัตมาปฏิบัติสมณธรรมครั้งนี้ด้วยเถิดเมื่อพระอาจารย์สุทัศน์ประกาศออกไปแล้วด้วยเจตนาดีดวงวิญญาณต่างๆที่กำลังแสดงอาการขู่เกลี้ยวกลาดนะคะแทนที่จะพากันปีติยินดีอนุโมทนาสาธุพวกมันกลับไม่ปรารถนาบุญอื่นค่ะนอกจากกุศลที่ท่านเคยแผ่เมตตาให้เท่านั้น เสียงกรีดร้องสยองขวัญดังระงมอยู่เช่นเดิมน้ำซ้ำกลิ่นเหม็นเน่ายังเพิ่มความรุนแรงขึ้นไม่ได้เบาบางลงเลยแม้แต่น้อย การไม่ลดราววาศอกของผีเหล่านี้นะคะทำให้อาจารย์สุทัศน์ก็จำต้องข่มใจสํารวมสติตั้งมั่นอยู่ในกิจของตนไม่ให้ความสำคัญกับเสียงร้องและก็กลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งกระจายมาอย่างรุนแรงนั้นท่านก็ลุกขึ้นจากสมาธิเป็นการเดินจงกรมไปเรื่อยๆค่ะได้ยินเสียงร้องโหยหวนก็คิดซะว่าสักแต่ได้ยินได้สัมผัสกลิ่นเหม็นก็สักแต่ว่าเป็นกลิ่นท่านก็พยายามต่อสู้กับภาวะที่กาลังรุกรูรุกรุมอย่างรุนแรงนะคะ ท่านทนสู้กระทั่งได้อารุณของวันใหม่กลิ่นเน่าอันไม่พึงปรารถนาแล้วก็เสียงร้องตลอดคืนนั้นก็จางหายไปค่ะเมื่อหลวงพ่อสุทัศน์ออกจากต่าช้าแล้วท่านก็มีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานอาถารกว่าเดิมนะคะ <c oughs> การที่ได้ต่อสู้อดทนกับกลิ่นเหม็นเน่าแล้วก็เสียงร้องที่โหยหวน เขย่าวขวัญสามารถควบคุมสติให้ตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดทั้งคืนอันเลวร้ายเท่ากับว่าเป็นการทดสอบพิสูจน์จิตอีกระดับหนึ่งและท่านก็ได้ประจักษ์แล้วนะคะว่าจิตที่มั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยอย่างแน่วแน่ไม่มีอันตรายใดๆมากรํามกลายได้เลยค่ะซึ่งในคืนต่อมาพระอาจารย์สุทัศน์ก็ได้ไปนั่งสมาธิที่เดิมและก็ตัวท่านเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านอีกหรือเปล่าแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดเดาล่วงหน้าได้นะคะ ความมีทิฐิของพวกวิญญาณยังจะมาส่งเสียงโหยหวนเรียกร้องขอบุญดังเช่นคืนที่ผ่านมาหรือไม่แต่ว่าท่านก็ได้ตั้งใจยอย่างแนว่วแน่แล้วนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านจะไม่ยอมถอยหรือพ่ายแพ้เป็นอันขาดถ้าตายก็ยินดีที่จะตายคืนต่อมาหลวงพ่อสุทัศน์นะคะก็ได้ไปบําเพ็ญภาวนาอยู่ที่ป่าช้าเหมือนเดิม ทีนี้คืนนี้นี่พวกผีทั้งป่าช้ามันก็ไม่ยอมลดที่ถีลงแม้แต่น้อยค่ะคราวนี้มันยกพวกมารุกหนักเลยหากแต่ว่าเป็นม็อบการเมืองก็คงต้องแตกหักไปข้างหนึ่งไม่แพ้ก็ต้องชนะ ขณะที่ความมืดมาเยือนนะคะพระอาจารย์สุทัศน์ท่านเดินจงกรมเจริญภาวนาแต่ว่าท่านก็ได้สติรับรู้ทุกย่างก้าวนะคะจิตของท่านก็ไม่ได้แส่สายออกไปเที่ยวข้างนอกแต่ประการใดค่ะพวกผีมันเริ่มแสดงฤทธิ์ส่งกลิ่นเหม็นเน่าอันไม่พึงประสงค์ออกมาอย่างรุนแรงมายัางจุดเดียวคือตรงที่พระอาจารย์สุทัศน์ท่านกําลังเดินจงกรมอยู่เมื่อเห็นว่าอาการของพระสุทัศน์นะคะไม่แสดงความวิตกแล้วก็หวั่นไหวกับกลิ่นเน่าเหม็นอย่างรุนแรงนั้น พวกผีมันก็ไม่ยอมค่ะมันแสดงฤทธิ์ด้วยการกรีดร้องหยวยหวนเสียงแซ่ไปทั่วอนาบริเวณป่าช้าท่ามกลางความมืดกลบเสียงร้องของจักจั่นไพรเสียหมดสิน้นพระอาจารย์สุทัศน์หันมาพิจารณากลิ่นแล้วก็เสียงเหล่านั้นว่าไม่มีจริงไม่มีตัวตนไม่ตั้งอยู่คงทนได้ทะได้นานไม่ว่ากลิ่นนั้นเนี่ยแล้วก็เสียงอันชั่วร้ายจะถาโถมกระนําเข้ามาเพียงใดนะคะ หลวงปู่สุทัศน์เองนะคะก็ไม่ได้หวั่นไหวท่านก็ยังคงเดินจงกรมต่อไปด้วยอาการสงบนิ่งเมื่อพูดผีวิญญาณเห็นพระอาจารย์สุทัศน์วางเฉยไมีใ ย, ยดีต่อเสียงแล้วก็กลิ่นเหม็นเน่าเลยแม้แต่น้อยมุ่งปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวเหล่าผีแล้วก็วิญญาณพวกนี้เห็นว่าทําอะไรไม่ได้และไม่ยอมทําตามที่ขอก็จําต้องสำแดงฤทธิ์บทสุดท้ายทนได้ก็ทนไป เหม็นเน่ายัางอบอวนชวนให้อาเจียนแล้วก็ยังฝุ้งกระจายไปทั่วบริเวณทางเดินจงกรมเสียงร้องโหยหวนคลั่งค ร, ครวนรุนแรงอยู่เช่นเดิมคราวนี้ไม่มาเฉพาะเสียงกรีดร้องเท่านั้นคุณผู้ฟังพวกมันมาปรากฏตัวในสภาพที่เรียกว่าน่าเกลียดหน้ากลัวหน้าขยะแขยงสุดจะบรรยายค่ะผีแต่ละตนต่างแสำแดงฤทธิ์ที่น่าสยดสยองให้ขนลุกขนพองบางตนนี้เรียกว่าเดินหิ้วหัวแลบลิ้นปลิ้ น, นตามีน้ําเหลืองไหลาอาบทั่วหน้าที่ผู้พองเน่าเฟะมาเลยก็มี บางตัวนี่แสดงตนลอยมาแต่หัวก็มีค่ะส่วนร่างกายส่วนที่เหลือนี่ตามหลังมาที่แสดงตัวสูงย่งเหนือยอดไม้มีแต่แขนมีแต่ขาที่แบบขาดห้อยรุ่งริ่งผมยุ่งเหยิงอยู่ก็มีเหมือนกันแต่และรูปกายน่าเกลียดน่ากลัวมากนะคะหลวงพ่อสุทธ์ท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าพวกมันมาแบบล้อมรอบบริเวณทางเดินจงกลมอย่างไม่หวั่นไหวหรือเกรงใจใดใทั้ทงสิ้น เป็นอันอเขาเรียกว่าเป็นการกีดขวางเส้นทางเดินจงกรมไม่ยอมให้ท่านปฏิบัติธรรมต่อไปอีกพระอาจารย์สุทัศน์ยอมรับว่าเวลานั้นมีความรู้สึกกลัวจนขนลุกขนพองขึ้นมาแม้จะพยายามควบคุมสติควบคุมจิตบอกกับจิตว่ารูปกายของพูดผีวิญ ญ, ญาณเหล่านี้ไม่มีเป็นเพียงภาพลวงตาเป็นภาพมายาไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่ว่าอารมณ์ของจิตตอนนั้น พระอาจารย์สุธศน์บอกว่ามันไม่ยอมเชื่อมันไม่ยอมฟังเอาซะเลยคือจิตมันบอกว่ากลัวจริงๆกลัวเหลือจะทนแล้วพระอาจารย์สุทัศน์ก็พยายามเอาสติต่อสู้กับอารมณ์ให้ได้นะคะแล้วก็จะไม่ยอมให้มันเป็นไปตามอารมณ์เด็ดขาด ในขณะที่จิตกับอารมณ์มันโต้แย้งกันอยู่นั้นท่านพยายามกำหนดเอาภาวนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวน้อมใจรำลึกยึดมั่นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นที่สูงสุดแล้วก็ย่างเท้าก้าวเดินไปบนเส้นทางเดินจงกรมคิดแต่เพียงว่าพูดผีวิ ญ, ญญาณที่ยืนตระหานขวางทางเดินจงกรมอยู่ขณะนั้นหากพวกมันจะทำร้ายให้ถึงตายก็ยอมตายตรงนี้แหละแล้วก็สถานที่แห่งนี้จะไม่ยอมถอยยอมหนีไปไหน ท่านก็เลยเดินจงกรมเป็นปกติอย่างสงบไม่ได้หวั่นไหวต่อภาพที่เห็นอยู่รอบตัวแล้วก็พูดผีที่ขวางทางเดินจงกรมนะคะเมื่อพวกวิญญาณเห็นว่าท่านไม่กลัวแล้วก็เอาจริงพวกมันกลับเป็นฝ่ายถอยหนีไปเองค่ะท่านเดินจงกรมไปมาอยู่นั้นพวกผีวิญญาณก็ยังไม่ยอมเช่นกันแม้ว่าจะทําอะไรท่านไม่ได้จึงเพียงแต่แสดงตนคอยหลอกให้กลัวด้วยวิธีการต่างๆท่านก็ไม่สนใจนะคะ เมื่อท่านเดินจงกรมทําความเพียรอสมควรแล้วจึงนั่งสมาธิเพื่อกำหนดจิตเข้าสู่ความสงบไม่รับรู้สภาวะภายนอกที่มากระทบใดๆทั้ทงสิน้นจนกระทั่งท่านได้ถอนจิตออกก็เป็นเวลารุ่งเช้าพอดีค่ะกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงแล้วก็ภาพของพวกผีวิญญาณที่รายล้อมในสภาพน่าเกลียดน่ากลัวก็ได้หายไปจนหมดสิน้นทาให้บริเวณป่าช้าเงียบวังเวงเป็นสภาพปกติของมัน พระอาจารย์สุทัศน์ท่านยืนพิจารณาป่าช้าที่กำลังตกอยู่ในความเงียบจนจิตปลงท่านก็บอกว่าโอ้หนอที่นี่คือที่สิ้นสุดของชีวิตมนุษย์หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นท่านคิดแล้วก็มองดูกองขี้เถ้าที่เผาศพคนตายไปเมื่อสองวันก่อนแล้วก็รำพึงในใจบอกคนเราเหลือเท่านี้ดอกหรือ